ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พารัสมาทานศีลสมาทานากรรมฐานแล้วต่อ น, นี้ไปขอมดาท่านทั้งหลายตั้งใจสะดับวิชาความรู้ในด้านการเจริญ ก, กรรมฐาน สำหรับวันนี้ก็อย่าพอขอพูดถึงเรื่องของชานในของทานตามปกติเมื่อคืนนี้ได้พูดเรื่องของทานมาเล็กน้อยหวังว่าบางท่านที่มีปัญญาดีแล้วก็มีได้มีความเข้าใจไปแล้วแต่ว่าบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจ จึงจะขอย้ำเรื่องทานอีกสักหน่อยหนึ่งข้อคำว่าทานได้แก่การให้ถ้าจะพูดกันตามแนวของสมถภาวนาก็เรียกกันว่าจาคานุสติกรรมฐานสำหรับทานนี้ก็ต้องแบ่งเป็นหลายชั้นด้วยกันคือทานและบารมีต้น ทานอุปรบรมีทานปรรมัทธบรมีในการให้ทานเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขถ้าเราจะมาพูดกันไนได้เนขานักปฏิบัติว่าทำไมยังต้องให้ทานตอนนี้ก็ขอบอกว่าเราต้องการความดับ ความดับในที่นี้ก็คือพระนิพพานนิพพานเนี่ยนิพพะก็วพระวร ด, ดับถ้าจะถามว่าดับอะไรก็ต้องตอบว่าดับความทุกข์ท่านที่มีอารมณ์เข้าถึงพระนิพพานท่านผู้นั้นไม่มีอารมณ์ขหงความทุกข์เพราะว่าเป็นผู้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา ที่เราต้องให้ทานกันก็นเพราะว่าเราไม่ต้องการมีขันห้าเนื่องขอการมีขันห้าเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่เราต้องมีขันห้ากันกระทั่งนี้เพราะว่าเราติดอยู่ในในวัตถุหมายความว่าเรายังมีความรู้สึก ว่าสิ่งนั้นเป็นทรัพย์สินของเราสิ่งนี้เป็นทรัพย์สินของเราแล้วก็ธาตุสี่ที่หุ้มห่อจิตโยที่เป็นเรือนร่างที่จิตอาศัยอันนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นอันว่าเราเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเราเป็นของเรา เมื่อมีเรามีความเข้าใจผิดมีความหลงผิดคิดอย่างนี้เราจรึงต้องเกิดเพรอะไรเพราะว่าเรายังยึดตันหาเป็นที่ตั้งเอาตันหาเป็นสรณะเป็นที่พึง่งคําว่าตันหาก็แปลว่าความทะยานอยากอยากมีทรัพย์สิน อยากร่ำรวยอยากจะเกิดใหม่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยากจะเกิดใหม่ให้มีรูปราา่างหน้าตาสวยกว่านี้อยากจะเกิดใหม่ให้มีสัสศีดีกว่าเดิมรวมความว่าเรายังติดอยู่ในความอยากความอยากเป็นปัใจจัยให้เกิด นี่การให้ทานเป็นการตัดความอยากเราตัดความอยากได้เข้ามาแล้วก็เป็นการตัดอารมณ์แหงความปิดในขั้นห้าการให้ทานอันดับที่เราจะเพ่งพิจารณาถ้าจิตของเรายังคิดว่าการให้ทาน้งนี เรายังมีหวังในในการตอบแทนทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายะครบคือเราคิดว่าเราให้ทานกับเขาแล้วเวลาที่เราอดอยากมีความทุกข์ขินบุคคลผู้รับทานจากเราอาจจะมีความเมตตาปราณีในเราเขาจะสงเคราะห์เราใหเรามีความสุข ถ้ามีลมติดอยู่อย่างนี้ก็ถือว่าทานบารมีของเรายัางไม่เต็มยังหวังผลตอบแทนอันเป็นโลกีวิสัยนืกคิดว่าถ้าการให้ทานครั้งนี้เราตายไปแล้วเราจะเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาวมีความสุขและถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์อาศัยทานการบริจาค จะเป็นปัใจจัยให้เรามีความร่ำรวยดีกว่าชาตินี้มากเวลานี้เรามีฐานะพอกินพอใช้แต่ถ้าว่าถ้าเกิดไปชาติใหม่เราจะดมสมบูรณ์ตัวอย่างมหาเศรษฐีทั้งหลายที่ปรากฏในพระสูตร ถ้าเราคิดอย่างนี้ก็ชีอว่าจิตของเรายังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้าขั้นสูงสุดถ้าจะเป็นได้ก็ขั้นพระโสดาบันเท่านั้นแต่ว่าการให้ทานที่มีจิตผูกพันจริงๆอารมณ์ยังไม่รักพนิพพานเป็นอารมณ์เพราะว่าใจยังไม่รักพนิพพานอย่างจริงจังเราก็เป็นพระอริยเจ้าไม่ได้ จัดว่าเป็นโลเกียทานแต่ว่าโลเกียทานก็เป็นปัจจัยให้เราดับทุกข์ไปได้มากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการให้ทานย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้รับการให้ให้ทานนี่ไม่มีอะไรเสียคือหมายความว่าผู้ให้ย่อมได้ให้ ผู้รับย่อมได้รับผู้ให้ย่อมได้ความรักจากผู้รับก็ชื่อว่าเราดับทุกเบื้องตนไปได้อันดับหนึ่งแต่ว่าทุกเบื้องตนนี้ชื่อว่าดับมันก็ดับไม่จริงเพราะว่าคนผู้รับทานนี้ไม่แน่นักว่าจะมีการขอบคุณผู้ให้ทานเสมอไป บางคนที่มีนิสัยอักตัญญูไม่รู้คนคนมีอยู่อย่างที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงมีความเมตตาในพระทวทัดแต่ทว่าสมเด็จพระบรมโซสวัสดิโสภา ค, คือพระพเจ้าก็ถูกทเทวทวทัดทรมานสร้างความทุกข์ให้ทมทุกข์ให้เกิดตลอดเวลาทุกชาติทุกสมัย แต่ได้ว่าพระอาศัยปัจจัยแห่งการให้ทานขององค์สมเด็จพระวิชิตมานบรมศาสดาหลังจากการตายจากท่านนั้นไปแล้วพระองค์ก็เสวยมีมุติสุขคือความสุขอันเป็นโลกียวิสัยดีกว่าพระเทวทัตมาก ยิ่งเกิดมากเท่าไรความสุขก็มีมากเท่านั้นปัญญาก็มีมากขึ้นทรา์สมัยก็มีมากขึ้นอย่างนี้เป็นโลกเกียฐทานยังไม่ดีพอถ้าจะกระยับขึ้นไปอีกนิดหนึ่งว่าการให้ทานนี้มันเป็นการสงเคราะห์เราไม่หวังผลในการตอบแทนใดๆทั้งสิน้น เราไม่ต้องการความรักจากบุคคลผู้รับทานเนื้นก็เราไม่หวังผลในการเกิดเป็นเทวดาเราไม่หวังผลในการเกิดเป็นมนุษย์ที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเราให้ทานวยความไม่ตาปราณีในฐานะที่คนละสัตว์เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน จิตใจของเรานั้นมีความเบิกบานในการให้ทานให้ทานไปนแล้วก็มีความชืนช่นใจอารมณ์ใจส่วนหนึ่งคนนึกไว้เสมอว่าการให้ทานเป็นการสละวัตถุภายนอกซึ่งวัตถุภายนอกนี้มันเป็นอนิจจงหาความเที่ยงไม่ได้ ถ้าเรายึดถือไม่เกินไปเป็นอารมณ์เขาตัณหามันก็เป็นทุกขังหมายความว่าถ้าเราพัดพลาดจากมันความเสียใจความเสียดายจะเกิดขึ้นมันเป็นทุกข์แล้วในที่สุดวัตถุก็ดีเราก็ดีวัตถุที่ย้ายท้ายก็ตามร่างกายที่ประกอบไว้ในธาตุสีก็ดีมันเป็นอนัตตา จึงเห็นว่าเหตุแต่งสอนวิการกล่าวคือทานได้แก่วัตถุได้แก่วัตถุก็เป็นท่านิจังหาความเที่ยงไม่ได้ถ้าติดมันเกินไปก็เป็นทุกขังมีอารมณ์เป็นทุกข์ไม่เมื่อพลาดกลาจากมันแล้วในที่สุดอ น, นัตตามาถึงแล้วก็ดึงไว้ไม่ได้อย่างนี้คิดเราคิด ตัดสินใจว่าเราค่ายทานในการครั้งนี้เราไม่หวังการเกิดคือเราจะไม่ติดไม่ติดในวัตถุภายนอกทั้งหมดในเมื่อมีชีวิตเราจะหามันมาเพื่อกิจการเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวตามหน้าที่แต่ถ้าว่าชีวิตตินซีแค่ร่างกายนี้สลายลงไปเมื่อไร เรากับมันก็แจ ก, กันอย่างยางนิที่ไม่มีอะไรมีเยื่อใยสิ่งกันแล้กันกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดอย่างนีนั้นก็ชื่อว่าเป็นกำลังใจของพระอริยเจ้าเบื้องตนนั่นก็คือเป็นกำลังใจของพระโสดาบันอันนี้สาหรับทานที่เราพูดถึงวัตถูก มันเป็นทานภายนอกก็เรียกว่าภาภาิรากทานเป็นทานภายนอกทานภายนอกที่เราให้สักเท่าไรก็ตามอันดับที่เราจะพึงให้ได้เราจะพึงได้ผลก็ได้แค่ประสูดาบนันตอนนี้เราจะกล่าวกันต่อไปว่าทำไมเราจรึงจะให้ทานเป็นพระสกิทาคามีให้ได้ เป็นอนวธาตุนบารมีตัวเดียวนี่เราจะก้าวเข้าสู่พระนิพพานให้ได้อาศัยยึดทานเป็นหลักทานที่จะเป็นหลักในการที่เป็นพระสกิทาคามีก็ได้แต่อชาติการทานอชาติการทานก็ได้การทานภายในทานภายในนี้ไม่ได้อาศัยวัตถุ แต่ก็อย่าลืมนะถ้าเราไม่สละวัตถุยังมีความเสียดายอยู่ในวัตถุซึ่งเป็นทานภายนอกเป็นของภายนอกเราก็ไม่สามารถจะให้ทานภายในที่เรียกว่าอชาติกระทานได้ดะนั้นการบริจาคทานภายนอกเราจะเห็นว่าวิสัยของพระโสดาบัน ององสมเด็จพระวิชิตามานทรงห้ามพระว่าถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆก็จงอย่าไปรบกวรพระเดเจ้าสุดนี้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านที่เป็นประโสดาบันร้อมในการที่จะบริจาคทานเพะการสงเคราะห์อยู่เสมอนี่จะเห็นได้ว่า คนที่เป็นพระ อ, อรียเจ้าเนี่ยเขาไม่หวงแหนในทานมีอารมณ์เปี่ยมในทานจัดเป็นกรรมฐานนิเวจาคานุสติกรรมฐานถ้าการให้ทานของท่านพูนันจิตใจปรารพุญนิพานแล้วมองไปดูเรื่องศีลศีลบริสุทธ์ด้วยทั้งสองปรการนี้ก็จะช่ว ย, วยให้ท่านพูนันเข้าถึงความเป็นประสดาบัน นี่ถ้าลำดับทานเข้าถึงเป็นพระสกิทาคามีตอนนี้ต้องประกอบทั้งทานภายนอกแล้วก็ทานภายในทานภายในนี่ไม่ได้ใช้วัตถุได้แก่อาภัยทานคือพระนาคามีนี่ระงับรรเทาความโลภรรเทาความโกรธแล้วก็บรรเทาความหลง ปีนหมายความว่าความโลภของระอนาคามีเบาเต็มทีเพราะว่าจิตที่เกาะในวัตถุกเกือบจะไม่มีจะมีแต่เพียงว่าเราจะใชมันพยางชีพไปทรงอยู่แล้ว ก, ก็สำหรับทระยตายไปเมื่อไรก็ช่างเถอะนี่เป็นทานภายนอก สำหรับทานภายในที่พระสิกิทาคา ม, มีทรงได้นั่นก็คืออภัยทานหมายความว่าบุคคลค น, นใดก็ดีที่ทำให้เป็นที่ไม่ถูกใจเราเราไม่พอใจในเขาในอกับกิริยาที่กายก็ดีวาจาก็ดีแต่ถ้าว่าอารมณ์ของเรานี้ประกอบไปด้วยปัญญา ที่มีความรู้สึกอยู่ว่าคันห้ามีสภาพไม่ทรงตัวร่างกายของเราก็ดีร่างกายของเขาก็ดีมันเป็นได่เพียงเปลือกภายนอกที่ประกอบปด้วยธาตุสี่มีความสุขปรกเป็นที่นาสีสีเอันใจ ไม่มีความหวังใดๆที่เราจะคิดว่ามันเป็นปัจจัยเป็นสมบัติแห่งความสุขร่างกายเป็นเชือสายของความทุกข์มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีความแปรโพลไปในธทรมกลางมันมีอาการสลายตัวไปในที่สุด เป็นอนันว่ามันไม่มีอะไรเป็นเครื่องจีรังยั่า ง, งยนืนเจ้านั้นคนที่เขาทําให้เราไม่ชอบใจเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราจะทําลายเขาเราจะร่างพันเขาเราจะก่แกล้งเขาก็ไม่มีอะไรเป็นผลแห่งความดีเพราะเขาเองเขาก็มีทุกข์อยู่แล้ว ในเมื่อเขามีทุกข์และเขาจะต้องตายในที่สุดเรื่องอะไรที่เราจะไม่ต้องนั่งคอยเขาเพราะอาศัยความโง่เขลาของเขาเป็นปัจจัยเขาจึงทำให้เราไม่ถูกใจเราให้อภัยในความผิดคิดไม่รู้เท่าไม่ถึงการของเขาอย่างนี้เรียกว่าอภัยทาน รวมความว่าสิยงใดก็ตามใครก็ตามทำให้เราไม่ชอบใจแล้วก็มีความรู้สึกแต่ว่านึกถึงการให้อภัยไว้เป็นปกติไม่ถือโทษโกรธเคืองโกรธแต่เ้อว่าไม่โผูโกรธอาการไม่ผู่โกรธของเราเป็นปัจจัยเขามีความสุข ถ้าเราเองก็มีความสุขถือว่ามันเป็นโลกธรรมดาคนเราเกิดมาใช่ดีเสียทุกอย่างนะั่นเป็นเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นไม่รู้เขาเลวเราก็ให้อภัยกับเขาแล้วก็มาเที่ยบกับร่างกายของเราเนี่ยกวโอหนอที่เราต้องโทรเขาแกล้งเขาแกล้ ง, เ ข, ลงเขาดา่าเขาว่าเขานินทาเขาทำร้าย ก็เพราะอาศัยมีร่างกายที่แสนจะสกปรกมีร่างกายที่มีสภาพไม่จีรังยั่งยืนไม่มีอาการทรงตัวฉะนั้นขันห้าของเรานี้ไม่มีความหมายไม่ช้ามันก็พังไม่ช้ามันก็ทำลายความตายก็เข้ามาถึงมันเมื่อมันตายแล้วเราไม่ได้ตายไปด้วย มันไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขเราไม่ได้ตายมันตายถ้าเรายังมีมีอารอมณ์เออยื่อใ่ในขันห้าอย่างนี้เราก็ต้องเกิดอีกฉะนั้นอารมณ์คิดจึงคิดว่าชีวิตตินสี่ของเราจะเพีงมีอยู่แล้วก็ขอมีอู่ชาติเดียวเท่านี้ขึ้นชื่อว่าขันห้าที่ประกอบว่าได้ได้ธาตสี่ หาความจรังย่างยืนไม่ได้เต่ไม่ได้ความสกบรกโสโครกอย่างนี้จะไม่มีสมับเราเมื่อเวลาที่เราจะเคลื่อนไปจากร่างกายเราทิศร่างกายนี้ให้เป็นฐานกับมันดาหมุนนอนทั้งหลายที่มันจะกัดมันจะกินมันจะทำอะไรกับร่างกายเขาช่างเรากับมันห่างไกลกันแล้ว จิตใจของเราไม่น้อมไปในเร่มีความรักใ่กายแล้วจิตใจของเราเต็มในการในการให้อภัยกับบคลผู้มีความผิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าพยาทานเป็นทานภายในถ้ากําลังใจข้ามรนดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายน้อมนึกประเด็นเรื่องการให้ทานเรื่องการแบบนี้ องสมเด็จพระชินาสีเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นพระสกิธาคามีตอนนี้สําหรับการให้ทานทานนี่อย่าลืมนะเพื่จ า, าระเปลี่การเสียสละตอนนี้ถ้าเป็นทานของพระอนาคามีจะเป็นยังไงพระอนาคามีพร้อมในการให้ทานที่เป็นวัตถุ แล้วก็พร้อมในการให้ทานเป็นอภัยทานนอกนั้นก็จัดทานอีกประเภทหนึ่งคือเป็นทานภายในโดยเฉพาะก็ได้แก่การให้อภัยกับจิตคือจิตที่คิดว่าจะผูกพันในร่างกายเราก็ดีในร่างกายขอาคนองค่งก็ดีอารมณ์ประเภทนี้ไม่มี เรายกให้เป็นภาระหน้าที่ของตัณหายกใหเป็นภาระหน้าที่ของอุปาทานแต่จิตใจของเรานี่นั้นที่มีความผูกพันในร่างกายเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีไม่มีในจิตของเราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีความนังเกียดมีความสิอีเสียนในร่างกาย มองดูกายเราก็ดีมองดูกายขกเขาบุคคลอื่นก็ดีเต็มไปด้วยความสุขปรกโศโครกได้ประกอบไปด้วยทุกชาติวิทุขาความเกิดมามันทุกความหิวความกระหายเป็นทุกความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกความพัาดพาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกความตายเป็นทุก จิตใจไม่มีความสุขก็เราเมาในกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกมองเห็นกายเรามองเห็นกายบุคคลอื่นมีสภาพมันซากศพที่เคลื่อนที่ได้เต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจาระปัสสาวะแล้วก็นในที่สุดมันก็พังสลายไปในที่สุด จิตของเราหมดความผูกพันในสิ่งโสโครคือส้วมเคลื่อนที่ได้ร่างกายนี้จะเหมือนจะเปรียบกับส้วงกนใดจะเปรียบกับปลาช้ากนใดมีสภาพไปต่างกันเพราะสร้างศพทั้งหลายเหล่านั้นมีสัตว์ต่างๆมีหมูมีหัวมีควายมีปลามีเป็ดมีไก่มีกุ้กง ที่เราไปฝังไว้ในร่างกายของเราร่างกายของเราก็มีสภาพเหมือนกับป่าชา้ามันเข้าไปน้าเข้าไปเน่าเน่า ว, วิพายใน์ในร่างกายของเราคนดีร่างกายของคนอคนื่นก็ดีจะมีอะไรเป็นที่ปรารถนาสิ่งที่มันหลั่งไหลออกมานั่นคือของสกปรกที่มันอยู่ในร่างกาย และสำหรับกำลังใจส่วนหนึ่งในด้านความโกรธนอกจากจะให้อภัยทานอย่างพระศีธาคามีแล้วแล้วก็ตัดสินตัดกำลังใจว่าขึ้นชื่อว่าการกระทบ ก, กระทั่งกำลังใจที่ไม่ชอบใจไม่มีสำหรับเรามีจิตยอมรับนับถือกฎของธรรมดาก็เพราะว่า คนที่เกิดมานี่ยังมีความโง่เพราะอาศัยความโง่เป็นกำลังมีกิเลสตัณหาป่าทานทษทับหัวใจเขาจึางสร้างความชั่วแต่สำหรับเราจะไม่ยอมตัวให้ชั่วแบบนั้นเราจะน้อมใจไปในด้ายของความสุขเือไม่ติดอยู่ในการมมชันทะทั้งห้าประการ แน่รมใจของเรานี้นั้นวางแนบสนิทคิดอยู่กับธรรมะมีการคิดให้อภัยอยู่เสมอใครจะด่าจะว่าจะนินทาว่าร้ายเกล้งจะหลันเป็นบริการใดใจมีความสุขคิดว่านี่มันเป็นธรรมดาของความโง่ที่เราเกิดมามีร่างกาย กำลังใจมีความสมบายไม่สะทกสะทาในการนินทาว่าไรได้กันแคลงอันนี้เป็นอารมณ์ของพระอนาคามีฉะนั้ น, นจาคะคือการบริจาคทานในคราวนี้เดี๋ยววิาจาค า, านุสติกรรมฐานตอนนี้เป็นทานใหญ่คือให้ใหญ่ให้ที่สุด คือคิดเห็นว่าสภาวะร่างกายของความเป็นมนุษย์ที่ประกอบไ ป, ไปได้วยธาตุสีคือร่างกายนี้มันเป็นภัยใหญ่ทุกใดใดที่มีขึ้นมาได้ก็อาศัยร่างกายเป็นเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกาเชตให้ปลดเรื่องร่างกายเสียคือความรู้สึกในการต้องการร่างกายเราก็ดี ความรู้สึกในการต้องการร่างกายของคนอื่นและสัตว์นอกจากเราก็ดีความพอใจในวัตถุต่างๆที่จะยึดเอาพิ้ที่เพื่ออาศัยก็ดีตอนนี้ตัดหมดสิ้นไปจากกาลังใจเพราะเห็นว่าร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์รู้ว่าทุกข์มันมาเพราะร่างกายเป็นสาคัญ เรื่อร่างกายที่มีขึ้นมาได้นั้นก็เพระาะอาศัยตัณหาเป็นต้นเหตุเราเห็นแล้วว่าองค์สมเด็จพระบรมโลคเชตที่มีพระมหากรุณาธิคุณแนะนําให้พวกเราทัานหลายปล่อยกายเสียที่เรียกว่าสกายะทิธิจิตมียลมคิดอยู่เสมอว่าร่างกายนี้มันเป็นเพียงธาตุสี่ข้ามาไปชมกัน มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่คนเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราความโง่ที่คิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นเขาเราไม่มีในจิตเพราะจิตเข้ามาถึงตอนนี้เราก็คิดโอทิตว่าอะไรมันจะมากระทกระทั้งกายก็ดีกระทกระทั้งใจก็ดีเราไม่ยอมรับเรายกให้เป็นกฎของธรร ม, มดาว่า ก, การเกิดมาต้องเป็นอย่างนั้น ถ้าจิตใจขมันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคิดอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นพระรหันต์อาลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอาศัยทานบารมีแล้วกล่าวกันมาสองวันเมื่อวันก่อนน้อยหน่อยหนึ่งวันนี้เวลาหมดพอดีแต่ความจริงถ้าอย่าพูดเที่ยงทานนี้อีกสักสามร้อยวันมันก็ไม่จบ แต่ว่าเห็นว่าท่านบรรดาสาวกขององสมเด็จพระนราศกมีตรรรามีเทพเปนเคื่อศึกษาเรีศึกษากันมามากคงจะมีความเข้าใจในธรรมะขององสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าที่พระองค์สนัดมาหวังว่าพระัยทานบรมบารมีอย่างเดียวหากว่าท่านหลายมีความฉลาด ก็จะเข้าถึงพระนิพพานได้ตามทระประสงค์โอสมเด็จพระบรมมหาราชนาธิบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาที่พูดกันเลยไปหน่อยแล้วขอยุติวัตเพียงเร่อนี้เรื่องฐานต่อที่นี้ไปข้าพรันท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามมัธยาัย จนกว่าจะถึงเวลาที่ทนที่ท่านเห็นว่าสงค์ควรจะเลิกสวัสดี